ในงานกฐินคุณชวนสนสงครามซึ่งมีจ้าประเดศประคุณท่านเจ้าคุณธรรมจินดาพรวัดราชบพิตรร่วมด้วยเมื่อคืนวันที่8พฤศจิกายนพศ2512ณวัดปามันตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัรยานะสัมปนโน เป็นอุดมมงคลมีพระเด็พระคุณท่านนะเป็นประธานนะท่านคณะศรัทาทั้งหลายมีท่านจะพาเป็นต้นทนะเนียสละทิดสิ่งทุกอย่างมาเพื่อบังเพล น, นงามความดีท่านเป็นสิ่งสำคัญ ในหลักชีวิตของเรานะเป็นคู่ชีวิตของจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตได้มาบำเพของงามความดีนี่เป็นผู้มีศรัทธาอยากจะฟังธรรมเทศนาคำส อ, สอนขององค์สมเด็จเพื่อผู้มีเพื่อภาคกาเพื่อให้สมเร็จเป็นธรรมศาวันนันานันใหม่มีสม นั้นการตังเทศออกรุณาทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่ต้องสนใจไปอื่นแม้ที่สุดองแสดงเราก็ไม่ส่งจิตใจมาคือเราทำความรู้สึกอยู่เฉพาะใจให้เป็นปัจจุบันจิตเท่านั้นก็เป็นอันว่าเราได้ตั้งภาชนะไว้ด้วยดีแล้วสาหรับ คือกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมากน้อยเมื่อเราตั้งความรู้สึกของเราไว้ในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันนกิตบิดที่ตั้งไว้โดยถูกต้องเช่นนั้นจะสามารถรับได้ทุกระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไปใจมีอารมณ์อันเดียวในขณะที่คิดสิ่งใด ยอมเป็นสิ่ง น, นั้นจริงๆที่จะคิดสิ่งอื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้ปล่อยจากอารมณ์ที่เคยคิดอยู่แล้วถึงจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นได้มีใจเมื่อได้รับความสัมผัสคือรับรู้กับธรรมะอื่นสืบเนื่องกันไปเป็นลห น, นับยอมจะทำให้สงบตัวลงได้ ในขณะที่ฟังใจที่มีความสงบตัวลงได้ย่อมจะปรากฏความสุขเย็นใจขึ้นมาตามลำดับแห่งความสงบที่มีมากน้อยภายในจิตข้งตนในขณะนั้นฉะนั้นการฟังเทศจึงจัดเป็นภาคปฏิบัติธรรมะไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติธรรมะภาคอื่นๆเช่นนั่งภาวนาเป็นต้นครั่องพุทการท่านถือเป็นสาคัญ ในการฟังธรรมทั้งฟังทั้งปฏิบัติอยู่ในนั้นเสร็จดังนั้นจึงสามารถบรรลุมรรคนลมิตรานได้ในขณะที่ฟังธรรมมีจำนวนไม่น้อยการแสดงธรรมก็ขออาภาัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะผู้ฟังก็มีวัยต่างๆกันอาจจะมี เดือมร้ำต่ำสูงในการแสดงธรรมและไม่เหมาะกับจริตจิตใจของทุกท่านก็อาจเป็นได้คำว่าธรรมะถ้าพูดฝ่ายเหตุก็เป็นเครื่องมือด้วยดีผู้จะสร้างโลกสร้างสงสาร ให้เป็นไปเพว่ความจเจริญยุ่งเหืองแก ต, ตนและผู้เกี่ยวข้องธรมมะก็เป็นเครื่องมือต่อสู้บุกเบิกหน้าที่การงานั้นๆให้เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้าภูมมุ่งต่อธรมมะโดยตรงเช่นนักบวชไม่มีหน้าที่อื่นใดเกี่ยวข้องมีเฉพาะหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสงบสุขเย็นใจเป็นลาดับ ธรรมะก็เป็นเครื่องนำออกจากความยุ่งเหยิงใดๆเป็นลำดับไปเช่นเดียวกันธรรมะจึงใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่จะสร้างกิจการทางโลกหรือจะพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นคนดีให้ใหมีหลักฐานมั่นคงในส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหลาย จำเป็นต้องได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความมั่นคงต่อตนเองเท่าที่ควรก่อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อหลักใหญ่คือตัวของเรามั่นคงดีแล้วก็ยอมจะเป็นสิ่งที่มั่นคงขึ้นตามๆกันฉะนั้นการปรับปรุงตัวการประพฤติตัวการพิจารณาสอบส่องเรื่องของตัวมี่เป็นเรื่องสาคัญ เช่นเดียวกับเราปิดทำนบไว้สำหรับน้ำเราต้องการน้ำจำนวนมากเท่าไหรเราต้องดูทำนบของเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าจะมองดูฟ้าซึ่งเป็นที่ตกลงมาแห่งน้ำทั้งหลายเนื่อทำนบของเรามีความมั่นคงเพียงใดงนั้สามารถจะบรรจุน้ำได้มากน้อยเท่าไหร น้ำที่จะไหลเข้ามาสู่ทำนกก็จะมีประมาณเท่าที่เรากำหนดเอาไว้และเท่าที่ความมั่นคงของทำนกเราจะพอกับน้ำนั้นๆนีน่การปฏิบัติตัวต่อหน้าที่การงานสําหรับทางโลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันค่อนอื่นเราต้องพยายามคิดตัวคือตั้งหลักตัวให้ดีย่าให้ตัวเสียไปเฉพาะอย่างยิ่งกําลัง เป็นเด็กหรือวัยรุ่นมีรู้สึกจะเป็นเรื่องระวังอยู่มากหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาก็เช่นเดียวกับรถที่ไม่มีเบรและต้องพยายามการขับรถได้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังในที่ต่างๆมากพอสมควรเพราะเป็นข้อเทียบเทียงกันได้ดีสำหรับการดำเนินชีวิตหรือการบาเพ็ญตน ให้เป็นไปเพราะความแน่นหนา ม, มั่นคงภายในจิตใจและเจริญรุ่งเรืองต่อหน้าที่การงานทั้งหลายจึงได้ยกเรื่องรถมาเป็นเครื่องเทียบคือถึงการที่ควรจะเร่งตามสายทางที่เห็นว่าจะเร่งได้คนขับรถซึ่งเป็นคนฉลาดก็ต้องทราบเอง ถึงสถานที่ที่จะควรรอจะควรเบรคคนขับรถก็ต้องรู้วิธีการในสิ่งแบบนี้การดาเนินชีวิตของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นแก่ความอยากความทะเยทะยานโดยไม่คํานึงถึงอนาคตที่จะเป็นความเสียหายมากน้อยเพียงไรอันจะเกิดขึ้นจากความอยากของเราในขณะนั้น เราต้องเล็งถึงเหตุผลแห่งความอยากความเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นไปเพราะความเจริญแกเ่เราหรือจะเป็นไปเพราะความทังหารตนเราต้องคิดเพราะตามธรรมดาหัวใจของบุคคลที่มีกิเลสย่อม ม, มีขอบเขตอยู่แล้วตามปกติของตนนอกจากจะหาธรรมะมาเป็นรู้วกันหรือเป็นเครื่องบังคับไว้ให้อยู่ในกรอบ แห่งความถูกต้องคือทำนั้นเท่านั้นเราจะเป็นผู้ยับยั้งตนได้ถ้ากว่าปราดไปจากทมอันเป็นขอบเขตหรืออันเป็นรั้วกัน้นเป็นสิ่งบังคับแล้วปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจนั้นก็เทียบกับน้าที่ไหลซึมออกมันเล็กและน้อยจากแอ่งหรือจากบึงจากหนองใดก็ตาม น้ำนั้นจะค่อยไหลซึมออกเป็นลำดับๆแล้วทารูที่ไหลซึมนั้นให้กว้างขวางออกไปจนสามารถทำลายทานบหรือครูนั้นให้ขาดไปได้น้ำไหลไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในบึงนั้นเลยก็ได้ถ้าเจ้าของไม่พยายามระมัดระวังรักษาตรวจตราอยู่เสมอในทานบหรือครูนั้นๆ นี่จิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราปล่อยตามความอยากอันไม่มีขอบเขตแนี่นจะเพียงวันละเล็กละน้อยก็ตามก็เช่นเดียวกับน้ําที่เลยรับควารปล่อยตัวอยู่เสมอไม่มีสายปิดกั้นเอาไว้ก็สามารถที่จะทําช่องที่ไหลออกนั้นให้ใหญ่โตขึ้นเป็นลําดับลำดัแบบแล้วทําลายคูคันทั้งหลายให้คิดหายผลปีหมดไปทั้งน้ํา มีจิตใจของเรามีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันตัดได้นาไปพิิจพารณาความอยากอันใดที่เกิดขึ้นโตพิจารณาด้วยดีอยาปล่อยให้เป็นไปตามความอยากแม้จะเพียงเล็กน้อยวันนี้ปล่อยให้ความอยากดำเดินตามความชอบใจของตนเพียงเท่า น, นี้วันหน้าความอยากนี้จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกเป็นจำนวนเท่าตัวหรือ ม, มากยิ่งกว่านั้น เราก็ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความเป็นไปของใจที่ไม่มีขอบเขตนั้นต่อไปต่อไปก็ทำเราให้เสียเรานั้นเทียบกับทานกที่สามารถเทียะกั้นน้าไว้ได้มากมายในเมื่อรักษาไว้ ด, ดีแต่นี่กลายเป็นความคิดความอยากนั่นมา ท, ทำทาลายผลเสียสมบัติที่มีคุณค่าอันใดซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจจริงไม่ม เนี่ยการรักษาใจจิงเป็นเรื่องสําคัญขอให้มีขอบเขตให้มีรั้วกัน้น <c oughs> อย่าให้ปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยานมีเป็นหลักสําคัญวันนี้เราพยายามรักษาตัวเราได้ขนาดนี้วันหน้าก็พยายามรักษาอีกความที่เคยรักษาตัวอยู่เสมอด้วยเหตุผลนี่แหละ จะเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงภายในจิตใจและสามารถรักษาตนไดในอนาคตไม่มีทางเสียหายเพราะกา ร, รักพยายามรักษาทุกวันก็ย่อมเป็นนิสัยของคนดีเหมือนกันวันนี้ก็พยายามรักษาวันหน้าก็พยายามรักษาเดือนหน้าปีหน้าพยายามรักษาอยู่เช่นนี้ก็กลายเป็นนิสัยเคยชินต่อการรักษาตัวไม่ว่าจะคิดเรื่องใดก็อยากทําอยากพูด อยากไปอยากมาอยากจับชายอยากอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าความอยากแล้วจะต้องมีเหตุผลเป็นผู้จัดการซเหมือเมื่อเหตุผลอํานวยสมควรแค่ไหนแล้วก็ให้ตําเนินไป ต, ตามเหตุผลที่ชี้บอกว่าสมควรแพียงทักเพียงต่ง น, นั้นไม่ให้เลยขอบเขตของเหตุผลที่เห็นว่าควรมีชื่อว่าการปฏิบัติรักษาตัวปฏิบัติแบบนี้ ต่อไปใจของเราก็มีเหตุผลรอบตัวไม่ว่าจะกิดเล็กจิตใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องใดๆต้องมีเหตุผลมาเป็นผู้เคียงหรือเป็นมิตรเป็นสหายกําจัดปัดเตาสิ่งที่จะให้ร้ายแก่ตนอันจะเกิดขึ้นด้วยอํานาจของความอย่างนั้นได้เป็นลําดับผู้นี้ชื่อว่าผู้ฟิตตัวได้ถูกต้องผู้ยับยัง้งหรือบํารุงตนอันเป็นบ่อสมบัติได้ดีจะแสวงหาโระกระซักมามากน้อยก็อยู่ ไม่กลายเป็นคนใจรั่วเป็นคน ล, ลอยคำว่ารั่วนี้เราคิดดูหม้อน้ำรั่วก็ใช้งานไม่ได้ถ้ารั่วมากเท่าไรก็ยิ่งเสียไปมากอะไรที่คำว่ารั่วถ้าขาดเล็กน้อยก็ไม่ดีถ้ายิ่งขาดมากก็ยิ่งใช้ไม่ได้นี่ที่นี่ขอให้ตีความหมายไปกว้างๆคำว่าขาดคำว่ารั่วอันใดรั่วไม่ดีทั้งนั้น คนเราถ้าต่อยใจให้รั่ววันนัเล็กแล้น้อยแล้วมันก็แตกที่แรกก็รั่วซะก่อนต่อไปก็แตกแล้วก็ใช้างานไม่ได้ใจที่แตกแล้วหมดที่พึงคนเราถ้าต่อยให้เป็นไปตามอําเภอใจกลายเป็นคนใจแตกหาที่ยักยั้งไม่ได้สมบัติเงินทองจะมีมาม า, มากน้อยเท่าไหร่ไม่มีเหลือเพราะใจไม่มี ส่วนดีที่เหลืออยู่พอจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้ได้สมบัติทั้งปวงจิงกลายเป็นสิ่งที่ชังหารตัวเองไปเสียด้วยซ้ำคนนั้นหมดราคามีการปล่อยตัวจิงไม่ใช่เป็นของดีแต่การรักษาตัวนั่นแหละเป็นความมั่นคงเป็นความเจริญรุ่งเรืองและเป็นความอบอุ่นภายในตัวทั้งปัจจุบันและอนาคตเราจะ สแสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งใดๆก็ตามถ้ามีเหตุมีผลเป็นเครื่องสแสวงหาและเป็นเครื่องรักษาตลอดถึงการจับจ่ายมีผลไปอย่างพร้อมูลแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้พอดีเสมอไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่เถิมไม่ตื่นเต้นไปตามการตามสมัยตามสถานที่แต่จะมีความตระหนักอยู่ในเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรเสาอไปผู้เช่นนี้จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่น่าตกใจ แม้จะไปเป็นลูกน้องหรือไปเป็นนายของผู้ใดก็าตามผู้นั้นก็สามารถจะทำความอบอุ่นหรือทำความเบาใจแก่นายหรือแก่ลูกน้องได้ดีเพราะตนเป็นผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องและมีขอบเขต น, นี่คือคือหลักของการบำเพ็งตัวหลักของการดำเนินชีวิตชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคิดดูตั้งกับบัดนี้จนกระทั่งถึงอวสารแห่งชีวิตเราจะต้องรับภาร ภาระของโลกที่โลกทั้งหลายทำไปนั่นไม่ใช่น้อยๆเราคนหนึ่งที่ต้องรับภาระของโลกไปมากกเพียงระยะในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่สามารถจะรักษาตนให้ได้ให้ดีได้แล้วเราจะสามารถนําโลกอันเป็นภาระสำคัญต่อไปได้อย่างไรต้องเป็นคนที่อับเฉาเสมอไป นี่เป็นหลักสำคัญขอให้พากันลํำไปพินิจพิจารณาการรักษาตัวนี่เป็นเรียกว่ารักษาสมบัติอันยิ่งใหญ่หรือก้อดใหญ่ที่สุดถ้ารักษาตัวได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับแม้จะมีน้อยก็จะกลายเป็นคนมีมากคนจนก็จะกลายเป็นคนมีโง่ก็จะกลายเป็นฉลาดคนชั่วก็จะกลายเป็นคนดีถ้ายังมีการรักษาอย แต่ถ้าขาดการรักษาแล้วไม่ว่าสิ่งใดๆย่อนจะหมดคุณค่าไปสําหรับบุคคลผู้ทอดอายนะั้นแม้สิ่งนั้นๆจะมีคุณค่าอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ไม่มีการรักษาตัวของเราจะเป็นประโยชน์แก่เราไม่น้อยจากนี้ถึงอวสานแห่งชีวิตถ้าเราพยายามประครับประคองไว้ด้วยดีจะเป็นประโยชน์มากมายเราต้องคิดถึงเรื่องตัวของเราก่อนอื่น ตัวเรานี่เป็นหลักสาคัญเราจะเห็นแต่วความทะเยอทะยานอยากบินเส้นตามหมู่ตามเพื่อนเฮอรเฟิมไปตามเพื่อนตามฟูงโดยเมื่อคํานึงถึงความเสียหายอาจจะตามมาในระยะเดียวกันแล้วกลายเป็นโรคเวรื้อรังฝังอยู่ที่ใจถอนไม่ขึ้นตลอดวันตายอันนี้เป็นโรคร้ายมากโรคแก้ไม่หายโรคคิดหายไปตามๆกันเราต้องระวังโรคประเภทนี้นี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่ง เรื่องความอยากนั่นแหละสําคัญความทะเยอทะยานอยากมีสําคัญมากต้องได้จ้องมองดูอันนี้แหละจะเป็นผู้ทําทําลายสําคัญทําลายความมั่นคงของ จ, จิตใจทําลายตัวของเราให้เสียไปด้วยอันนี้สําคัญมากาการสมแขกผู้ที่จะดําเนินทางโลกต้องมีธรรมะ เป็นเครื่องมือบุกเบิกเป็นเครื่องมือต่อสู้ไม่เช่นนั้นก็จะจบไปไม่ได้แล้วจะเสียทั้งตัวของเราด้วยที่มีผู้จะนําเนินในทางธรรมะร้วนรู้ว่าเจนเป็นนักบวชหรือแต่เท่าชลา ม, มาแล้วหมดความห่วงใยทางโลกทางสารมีความมุ่งหมายที่จะบําเพ็ญตนให้มีความอยู่เย็นเป็นจุดภายในจิตใจแล้วธรรมะก็เป็นเครื่อง มุเบิกทางแห่งความเกษมสัามราดโดยลํำดับเพราะธรรมะไม่ใช่ทาคนให้อ่อนแอผู้มีธรรมะแล้วจะดําเนินทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอถอยหลังแต่เป็นผู้ก้าวหน้าเสมอเป็นนักต่อสู้ด้วยเหตุด้วยผลหนักก็เอาเบาก็สู้เมื่อเหตุผลลงรอยตรงนั้นแล้วว่าควรจะสู้ต้องสู้ควรจะถอยต้องถอยควรจะก้าวหน้าก้าวปัดนี่ธรรมะเป็นอย่างไี ่ารตงสรให้มีความอดทนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวคนเราถ้ามีทรสี่อย่างนี้เป็นเครื่องรักษาตัวแล้วจะอยู่ทั้งเลกโลกก็จะ จ, ะจะเริญมด่งเดืองจะดำเนินทางธรรมะใจก็อยรับความเยือมเย็นเฉพาะอย่างยิ่งใจนี่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องภาวนาเพราะตามปกติของจิตมีความคิดอยู่เป็นประจาตัว ขณะที่คิดนั้นโดยมากก็ต้องคิดเป็นอารมณ์ที่เป็นค่าศึกไม่ค่อยจะมีอารมณ์เป็นสิริมงคลหรือจริญรุ่งเรือ ง, องบำรุงจิตใจให้มีความสุขความสบายแต่เป็นอารมณ์ที่ก่อกวนทําลายเสียมากสา <c oughs> หรับอารมณ์แห่งธรรมะนั้นเป็นอารมณ์ที่ส่งเสริมจิตใจให้มีความเลือกเย็นสบายท่านติสอนใจให้มีธรรมะ มีการภาวนาเป็นต้นการภาวนาก็ยอมมีลําบากบ้างแต่เราต้องคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคืออะไรเชื่ก่อนแม้ลําบากก็พอทํากันไปได้เพราะคําว่าสุขนั่นแ่ะแม้แต่ผลไม้สุขเราก็ยังชอบคนมีความสุขกายสบายใจจะไม่ชอบอย่างไงเรามีความสุขกายสบายใจเราก็ชอบ ความสุขใจเป็นสิ่งสําคัญความสุขใจจะสุกได้ด้วยวิธีใดผ ล, ลาไม้เขาเอามาบ่มหรือสุกกับต้นที่ต้นลำของมันและหรือลูกของมันได้รับการบํารุงจากต้นลำเสมอจากลําต้นของมันมันก็แก่ขึ้นมาจนกระทั่งสุกไม่ใช่มันสุกโดยเฉย เ, เมื่อมันพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจากอาหารเครื่องบํารุงมันก็สุกได้ใจของเราที่จะสุกก็ต้องมีอาหารเครื่องบํารุง พอที่จะสุกได้ถึงจะสุกเมื่อมันมีอาหารเคข้ามาหนึ่ง ม, นงมันก็สุกไม่ได้เราต้องการแต่ความสุขแต่เรากรแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายใจตัวของเราทั้งๆ ท, ที่เราสร้างการความสุขเหตุกับผลก็ไม่ตรงกันความต้องการเป็นอย่างหนึ่งแต่การกระทําเป็นอีกอย่างหนึ่งผลก็ขัดแย้งกันเอ๊ะเราทําอย่างนี้แทนที่จะได้อย่างนี้ทําไมถึงได้อย่างนั้นเจตนาของเราเบื้องตน้นเราว่าจะทําดีจริงแต่บทเจตนานั้น หลุลอยไปในขณะเดียวเท่านั้นก็กลายเป็นการสังคมความไม่ดีขึ้นมาก่อความจิตใจให้วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดผลจึงปรากฏเป็นทุกข์ขึ้นมานี่มีเหตุกับผลเป็นอย่างนี้คือมันไม่รงลอยกันกับเจตนาฉะั้านการทาความสงบทางด้านจิตใจเจตนากับการรักษาการนำเนินให้กลมกลืนกันไปพยายามระมัดระวังนักษาจิต ให้ไดารับความสงบด้วยอำนาจแห่งบทธรรมบทใดบทหนึ่งเช่นเรากาหนดพุทธโธเป็นอารมณ์ของใจหรืออนนาปานสติก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้นหรือมีความรู้สึกอยู่กับพุทธโธ ท, ที่เรานำมาบริกรรมในเวลานั้นโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีเพียงว่าทาอย่างไรความรู้สึกของเราคือใจมีกับคาบริกรรมนั้นๆจะ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นลําดับไปนี่เป็นจุดที่มุ่งหมายสำหรับผู้บําเพ็ญเหตุเพื่อผลที่พึงใจจะปรากฏขึ้นได้อย่าไม่ผิดคาดื้นหมายต้องทําอย่างนี้ใจเมื่อในเป็นอารมณ์อันเดียวตามปกตินิสัยและได้บทธรรมะมาเป็นเครื่องอบรมเสมอความรู้สึกมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกันกบบทธรรมบทนั้นๆก็จะรับความสงบเย็นใจขึ้น ใจสบายนี่เป็นสิ่งที่หายยากมากความสงบพอเริ่มขึ้นก็จะเห็นความสบายขึ้นกับความสงบสงบมากเท่าไรใจก็สบายมากเท่านั้นอันจึงสอนให้อบรมใจให้มีความสงบความสงบกับความสบายเป็นคู่เคียงของกันและกันถ้าอบรมได้มากเท่าไรใจก็ยิ่งสบายมากใจที่เคยผ่านฝนนวดเต้นมา ก, ก็ตาม ถ้าได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วต้องสงบถ้าคนกับแม่จะเคยเป็นคนชั่วมาก็กลายเป็นคนดีได้สม่ำเสมอมีเหตุมีผลประจําตนวิธีอบรมภาวนาอันนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราจริงๆ น, นี่พึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆกับอันเนี้ยกับความว่าใจสงบ ใจเย็นใจเป็นที่พึ้นด้คนเราไม่ใช่ว่าจะมีความราบเื่นสม่ำเสมอไปเป็นลำดับอาจจะเป็นรุ่มๆดอนๆยิ่งวาราสุดท้ายคือธาตุขันจะทำลายลงไปเนี่ยต้องเขยา่าตัวเองหะอย่างบอบช้ำคนไม่ไหวก็ต้องแตกไปตอนนี้ทีตอนทำให้วาวุญสุ่นมัวมากถ้าใจไม่มีหลักริบด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ กายก็ร้อนเป็นไฟจะแตกเดี๋ยวนี้ใจก็ร้อนเป็นไฟเลยหาที่ยึดไม่ได้คว้าหาใจกับใจก็ร้อนคว้ามาหาทางกายร่างกายก็จะแตกเลยหาที่ยึดไม่นานไฟทั้งร้อนร้อนดูทางร้อนๆแล้วก็ไปทางร้งนร้อนๆดูที่ไหนก็ร้อนถ้าธรรมชาตินี้เป็นผู้ร้อนเพราะเราจะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งสุกพึ่งทุกข์พึ่งทุกข์ ก, ก, ก, กับใจดวงนี้แต่ใจดวงนี้ในกายเป็นไฟเสียอย่างนี้เราจะอาศัยความร่มเย็นจากอะไร ไม่มีความร่มเย็นนั่นเหตุที่ท่านจะสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บําเพ็ญธรรมก็เพื่อความร่มเย็นให้เป็นที่พึ่งของตนได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาถุตนเป็นที่พึ่งของตนมีหมายถึงนี่แหะเป็นสิ่งสําคัญเวลาจวนตัวมาจริงๆนะเราจะเห็นว่าตนของเราเป็นที่พึ่งของเราอย่างไรบ้างจะรู้กันตอนนี้คือจะอาศัยอะไรก็มันไม่มีทาง จะอาศาัยญยาติมิตรพ่อแม่ลูกหลานก็หมดนิสัยที่จะอาศัยในเวลาเช่นนั้นคือเราก็จะกำลังจะแตกอยู่แล้วร่างกายก็เป็นไฟทั้งกองเนี่ยทุกส่วนของร่างกายนี่จะกลายเป็นไฟไปหมดร้อนหมดใจถ้าไม่รับการอารมณ์ก็จะร้อนเป็นไฟไปอีกเช่นเดียวกันนี่หาที่ยึดไม่ได้คิดไปทางไหนก็มีแต่ไฟ แต่เมื่อได้รับการอบรมให้มีความสงบเย็นใจแล้วไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันเหมือนกับข้ากับบินหรือคนละโลกใจจะร้อนเป็นไฟก็อวกกายจะร้อนเป็นไฟก็ให้ร้อนไปตามเรื่องของกายแล้วก็ทราบทัศดโดยว่ากายเวลานี้กําลังจะสลายกําลังแสดงตัวดําเนินไปตามแถวอนิจจังทุกขังอลาตาของมันอย่างเต็มที่จนสุดฉีดจุดแดนของมันที่จะเป็นไปได้ในขณะที่มีเรามีจินติตี่นี้ ต้องแสดงถึงวาระสุดท้ายของเขาใจของเราผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีด้วยสติปัญญามาอย่างรอบตัวแล้วก็ต้องทําหน้าที่รอบคอบขอบคิดภายในตัวไม่ยอมให้เสียท่าเสียทีไปกับไปกับความแปรปรวนของส่วนร่างกายใจก็เป็นใจกายก็เป็นกายกายแตกใจยังดีมีสีมีธรรมเป็นเครื่องอบรมใจกไ็ไม่มีทุกข์นี่แหละชื่อว่าใจเป็นที่พึ่งของตน นี่ละตนเป็นที่พึ่งของตนวารแะสุดท้ายจะต้องมายึดใจเป็นหลักสําคัญใจมีอะไรเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงบ้างถ้าใจมีสีมีธรรมมีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนี่แหละเป็นอาหารของใจใจอาศัยกับอารมณ์อันนี้อารมณ์แห่งความดีอันนี้ไปเลยนี่ท่านว่าทุกขะโตอยู่ก็ดีไปก็เย็นถ้าหากว่าทําใจให้เดือดร้อนแล้วอยู่ก็เป็นทุก ข, ขโต อยู่ก็เดือดร้อนไปก็เดือดร้อนเอียบททั้งสีไม่สบายขาดอตตาหิอตโนนาตูทำที่พึ่งของตนไม่ได้อย่างอื่นเราทำได้หมดแต่จะมาทำที่พึ่งให้ตัวโดยเฉพาะเท่ า, าทนั้นเราไม่สามารถจะ แ, แสดงว่าเราโง่หรือเราถลากเราต้องหาอุบายสอนเราอย่างนี้คือใจนี้ต้องชอบอุบายสอนแม้แต่เด็กก็ยังต้องชอบเหชอบผม เราพูดด้วยเหตุด้วยผลเด็กก็ยังต้องยอมเชื่อเราสอนเราด้วยเหตุด้วยผลทําไมจะไม่เชื่อหลักธรรมเป็นสิ่งที่แน่นอนจริงจังตามพระพุทธเจ้าขั้นสอนตลอสวัสขาตธรรมตรัสไม่ชอบทุกอย่างไม่มีเอ็งมีเอียงไม่มีสูงสูงต่ำต่ำมีความสม่สําเสมอเรียกว่ามัชชีมาเป็นภาค พ, พื้นของธรรมะหรือเป็นความจริงของธรรมะไม่มีอะไรที่จะควรกําหนิดติเตียนได้เลยเราพยายามดัดแปลงเราให้เข้าสู่หลักธรรม ที่เรียกว่าสุ ข, ขาธรรมใจของเราก็จะหาที่ตําหนิตนไม่ได้เป็นผู้สม่ำเสมอทั้งความเป็นอยู่ทั้งความตายไปฉะนั้นท่านผู้บําเพ็ญตนจนถึงที่สุดจุดหมายายทางหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะควรตําหนิติชมภายในใจิตใจแล้วท่านจึงเป็นผู้สม่ำเสมอเสมอทั้งความเป็นอยู่เสมอทั้งความจะตายไประหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นไม่มีทางใดเงื่อนใดจะมีน้ําหนักต่างกัน ความเป็นอยู่ก็คือขันอันนี้เราก็ทราบแล้วว่าขันอันนี้รวมตัวอยู่ประชุมกันอยู่ผสมกันอยู่เวลานี้ยังไม่แตกเราก็ทราบไดช้ชัดเจนจิตที่รู้เท่าทันต่อขันแล้วก็เป็นจิตที่บริสุดอยู่อย่างนี้เวลาจะสลายไปแล้วอะไรจะล่มจมอะไรจะจิตหายไม่มีส่วนในดจิตหายส่วนธาตุขันคือดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันเป็นกายนี้เป็นรูปเป็นกายนี้ก็สลายไปตามธรรมชาติของตทนที่ที่ประชุมมาแล้วแล้วสลายตัวไป ส่วนดินเป็นดินส่วนน้ําเป็นน้ําส่วนลมเข้าไปเป็นลมตามเดิมส่วนจิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะบกพร่องพอที่จะขบาบทุนสุดกาไรเวลาตายไปแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่กับความต า, ตายของพระกินาสตุภัณฑจึงไม่มีส่วนใดสนักยิ่งกว่ากันมีเสมอการหมดนอกจากท่านจะแยกแยะว่าการมีชีวิตอยู่นี้จะทําประโยชน์ให้โลก ก่อนนับว่าจะได้มีประมาณเท่านั้นเท่านั้นถ้าหากว่าได้ขาดไปเสียในเวลานี้ซึ่งไม่ควรจะเป็นไปแต่ได้เป็นไปเสียจะ น, นี้ไปประโยชน์ที่จะทําแก่โลกโลกที่จะรับประโยชน์จากท่านก็จะขาดสะบันะ้นไปตามๆกันก็เป็นเหตุให้เกิดความมีน้ําหนักในการเป็นอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์สําหรับโลกแต่จะเพื่อประโยชน์สําหรับท่านนั้นท่านไม่มีเพราะความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ ซึ่งเป็นตัวสมมุติล้วนๆเหมือนโลกทั่วๆไปต่างหากมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะล่มจมไปถึงจิตใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจะยังมีชีวิตอยู่ก็บริสุทธิ์จะตายไปแล้วจะทิพายไปไหนจะไปล่มจมที่ไหนไม่มีต้องเป็นความเสมอภาคสื่อโดยหลักธรรมชาติของตนที่นอกจากสมมุติอันนี้จังนี้ไปแล้ว น, นั่นนี่หละจิตถ้าเราฝึกหัดให้ได้เต็มที่แล้วเราต้องมีความอาดหานต่อความกินทุกได้ ไม่ว่าขณะใดาจะเจ็บขณะใดาจะตายขณะใดาจะแตกสลายไม่มีการย่อท้อไม่มีการกลัวไม่มีการหวาดเสียวมีความเสมอภาคเป็นธรรมประจําใจเพราะเห็นตามความจริงไปเสียสิ้นแล้วอะไรจะเป็นเครื่องหลอกจิตใจที่จริงแล้วได้หรือไม่มีสิ่งใดจะหลอกชื่อว่าสมมติในโลกนี้เพราะคําคว่าโลกวิถีต้องรู้แจ้งในเรื่องสมมตินี้ทั้งหมดแม้จะไม่ใช่โลกวิถีแบบเป็นสมบัติของสมเด็จพระ พระพุทธเจ้าก็ตามแต่คุณสมบัติของสาวกก็จัดได้ในโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงๆตามสภาพของความจริงทั้งหลายที่เป็นสมมติในโลกนี้ส่นวนพระพุทธโลกวิถีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งทรงรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงของสมมุติทั้งหลายนี้ด้วยและสามารถที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ต้องการอยากรู้ได้ด้วยว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เป็นต้นได้ หาวกไม่สามารถอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็สามารถในโลกวิถีที่รู้เรื่องในเรื่องสมมติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของตอนได้ดีจนถึงกับเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเนี่จิตไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของจิตจะทําให้เลวไม่มีอะไรที่จะเลวกว่าจิตกว่าคนไปถ้าจะทําให้ดีก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าจิตกว่าคนเราไปจึงธรรมะทั้งหมดจึงทุ่มเทลงที่จิตใจของตน ศาสนาจึงสอนคนเราให้รู้ให้รู้เรื่องของดีเยี่ยมคืออะไรคือดวงใจที่ได้รับการระมัดระวังรักษาดวงใจที่รับการซักพอกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานสุดท้ายนี้เป็นใจที่ประเสริฐสมบัติใดในโลกจะไม่เสมอเหมือนสมบัติคือใจนี้ก่อนที่เราจะหาสมบัติอื่นเราต้องพยายามรักษาสมบัติคือใจและชีวิตร่างกายเหล่านี้ไว้เป็นหลักประทานหรือกับประกันไว้ก่อนถ้าอันนี้ดีแล้ว ที่งอื่นๆก็กลายเป็นเป็นผลพลอยได้ประดันสารยิ่งได้รับการอารมณ์ให้ถูกต้องตามหลักจนถึงความบือสุดวิมุติในปัจจุบันนักจิตด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้เสมอตัวไม่มีการคำว่าได้ว่าเสียอยู่ภายในใจจึงไม่มีการกล้ า, าการตัวอะไรทั้งนั้นมีแต่ความจริงรุนร้วนที่อยู่ภายในใจนั่นแหละท่านมาช้าเหมือนตัวเมืองพอเราจะหาที่ไหนท่านม่หาที่จิตเมื่อจิตถึงขั้นพอตัวแล้วไม่อยากอะไรทั้งนั้นเนี่ย เรื่องการอยากข้าวอยากน้ำอยากหลับอยากนอนเกี่ยวกับเรื่องของธาตุของขันสิ่งนี้ยังมีอยู่จะต้องเป็นไปอยู่ตลอดการของมันเมื่ออันนี้หมดความหมายลงไปแล้วสิ่งเหน่นั้นก็หมดส่วนความอยากของใจเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะทั้งมวลหมดไปแล้วความอยากจะไม่มีวันนี้ได้แสดงธรรมะป่าให้บรรดาท่านผู้ฟังฟั ง, งหากว่ามี การาเลื่อนด้วยบททำนิพพนวนิหาใดก็ดีก็หวังว่าจะรับอาไทยจากบรรด า, ารทา่านฝั่ง้างไหนขอความสำหรับดินคนที่มีทุกท่านเธอ